ทีนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดสมัยเราจะไม่ใช้คาว่าทำความสะอาดจะใช้คาว่าจเจริญสติอ่าเจริญสติคือหมายความว่าแทนที่เราจะนั่งยกมือหรือสร้างจังหวะเเราก็นึกขึ้นมาลำดับเลยลำดับอาดับเราจะลุกขึ้นมาจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาไม้กวาดอยู่ตรงไหนกำหนดรู้ก่อนอนไม้กวาดหิงอยู่ น, นั่น 9, ก้าวกาหนดรู้ทีละก้าวไปหาไม้กวาด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 อยากของตัญหาแต่วัตถุนะ้ยิ่งปะนี้เท่าไหรมันเป็นยังไงก็ยิ่งเพิ่มกำลังของตัญหามากขึ้นเท่านั้นก็ยิ่งเป็นไฟนั้น พ, พระพุทธเจ้าท่านรู้นี้ตั้งแต่แรกนะว่าถ้าไปตามตัญหาไปตามความอยากแล้วท้ายสุดทุมคนก็คือสงครานตไม่มีที่จบแต่พอมาทางการสิ้นตัญหาไปทางนำมาทำเอาระบบทาง